ูไม่ถูกจึงไม่เห็นคุณค่าเดี๋ยวนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายตามโรงเรียนต่างๆเขายังไม่ยอมรับบางคนเห็นเขาพานักเรียนไปปฏิบัติสมาธิไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรเขายังพูดกันอย่างนี้คือเขาได้ยินแต่ว่าสมาธินี้ต้องนั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียว สมาธิที่เป็นไปกับเรื่องชีวิตประจำวันนี่เป็นสมาธิที่สามารถแก้ไขปัญหาจิตได้ถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการจะทำสมาธิไม่ต้องไปนั่งให้เสียเวลายืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลานอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตามรู้ตามรู้ไป จนกว่าจะนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ฝืนธรรมชาติด้วยถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกวันนอนหลับปุ๊บลงไปนี่จิตจะสว่างรู้สึกว่านอนไม่หลับทั้งคืนธุรกิจการงานอันใดที่เราแก้ไขปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกับว่าหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกเรื่องสมาธิทั้งนั้น หลวงพ่อไปแนะนำให้คนทั้งหลายเขาปฏิบัติอย่างนี้อาจารย์สอนสมาธิสำนักใหญ่ๆท่านหวเราะท่านบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรผู้ที่เรียนจบด็อกเตอร์จากประเทศอินเดียยิ่งไปกันใหญ่เลยไปเอาแต่เรื่องสมาธิของรุสีมาสอนคนสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เอาสมาธิของพระพุทธเจ้านี่จริงอยู่ท่านให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่ง เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของเราท่านจึงได้ยึดทีนี้อารมณ์จิตในการภาวนาคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้การทาการพูดการคิดต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราได้ปฏิบัติสมาธิตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนจบปริญญามาแล้วนี่ ผ่านการปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นเก่งกว่าพระผู้สอนสมาธิซื้ยด้วยซ้ำไปแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราได้ปฏิบัติสมาธิแต่เมื่อไรเช่นอย่างเวลาเราวิจัยงานของเราใช้ความคิดอย่างละเอียดสุ ข, ขมุมคิดวกไปเวียนมาวกไปเวียนมานี่เรากาลังปฏิบัติสมาธิพอเผลอๆจิตว่างลงนิดหน่อย สิ่งที่เราต้องการรู้มันโผล่ขึ้นมานั่นคือสมาธิปัญญา